เพราะฉะนั้นในเมื่อต่างคนต่างรักอย่างนี้เราจึงไม่ควรมาขโมยของซึ่งกันและกันหรือไม่ควรที่จะมาพร้นมาสุดลมมาช่วงชิงมาโคดโกงต่อกันเราควรที่จะได้เคารพในสิทธิคือทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันมีที่ดินก็ไม่ควรจะรุกที่ดินซึ่งกันและกันมีช่องทางก็ไม่ควรที่จะโคดโกงบิดพบิ้วโดยเอาทรัพสมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเพราะทรัพย์สมบัติของใครใครเขาเรั เนี่ยเพียงแต่เราเนิกถึงทรัพสมบัติแค่นี้เราจะรักษาสิ่งได้และเราโคโรพในสิทธิคือความรักทรัพสมบัติของผู้อื่นด้วยเราจะไม่ล่วงละเมิดในทรัพสมบัติของใครนอกจากเราจะยินดีพอใจแต่ทรัพสมบัติที่เป็นกรรมสิ์ของเราเท่านั้นนี่เป็นความรักที่รองลงมาจากชีวิตคนเราทุกคนถ้ามีทรัพสมบัติแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นความปรารถนารองลงมาจากทรัพสมบัติ ก็คือกามารมณ์ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคนที่มีเงินมากๆเนี่ยและมีความสุข้วยการมีเงินเขาเพียงพอแล้วจักความสุขของการมีเงินแปลว่าคนที่มีเงินก็ยังต้องการความสุขจากการมีเงินนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่รองลงมาจากความมีเงินและจ ะ, สะแสวงหาความสุขเช่นนี้ ความสุขที่กล่าวนี้ก็คือกามารมณ์ต้องการความสุขทางกามารมณ์เพราะฉะนั้นคนมีเงินมากๆ ก, ก็สามารถจะมีปัญญาได้มากๆและสามารถที่จะใช้ทรัพย์สมบัติเนี่ยไปสแสวงหากามารมณ์ได้เพราะตัวเองมีทรัพย์สมบัติแล้วจะต้องการอะไรก็สมเร็จจะต้องการกิ่คนก็ได้สามารถจะสร้างฮาเร็มไว้ก็ได้ถ้าหากว่ามีทรัพย์สมบัติมากๆ เน่ความสุขก็รองลงมาจากสัพสมบัติมีความรักในกามารมณ์ต่อไปกามารมณ์เนี่ยเป็นที่รักเป็นที่หวงแหนของใครใครก็รักเช่นอย่างสามีภรรยาของใครใครเขาก็รักด้วยกันทั้งนั้นนอกจากรักแล้วก็ยังหวงด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อของใครใครเขาก็รักอย่างนี้เราจึงไม่ควรไปประพฤติผิดซึ่งกันและกันเช่น ถ้าเป็นพัญญาของคนอื่นเราก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวแต่เป็นสามีของคนอื่นก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวหรือถ้าเป็นคนรักของคนอื่นก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเพราะของของใครใครเขาก็รักการมารมเป็นของใครใครก็หวงแหนเพราะว่าความรักสิ่งนี้เราเคารพซึ่งกันและกันการประพฤติผิดในกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นนี่เป็นความรักที่ลองลงมาจากรับสมบัติพอเราได้กามารมมาแล้ว สมความรักแล้วเราต้องการอะไรจากกรมารมเราต้องการความสัตย์ความจริงใจต่อกันมนุษย์ต้องการความสัตย์รักความสัตย์ร้องลงมาจากกามารมเช่นสามีภรรยามีความสัตย์ต่อกันโดยไม่ประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างถือคำสัตย์และบูชาคำสัตย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อใครๆก็ต้องการความสัตย์ไม่ต้องการความเท็จ เราจึงไม่ควรพูดเท็จต่อกันไม่ควรพูดเท็จต่อกันก็คือจะต้องมีสิกขาบทข้อที่สี่มีสินข้อที่สี่คือเว้นจากการพูดเท็จที่เรียกว่ามุสาวาพาเวรมณีต้องเว้นจากการพูดเท็จนะเมื่อเราได้ความตัดมาแล้วสิ่งหนึ่งที่จะรักษาความรักอันนี้ให้ดำรงอยู่ได้คืออะไร คือความไม่ประมาทชีวิตจะดำรงอยู่ได้ทรัพ ส, สมบิจะดำรงอยู่ได้กามารมณ ah ์จะดำรงอยู่ได้ความสักด์จะดำรงอยู่ได้ก็เพาะทุกคนตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทอะไรที่เป็นศัตรูต่อความประมาทสิ่งที่เป็นศัตรูต่อความประมาทก็คือความมึนเมาเช่นอย่างน้ำเมาหรือของเสศิษ ต, ต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นศัตรูเป็นความประมาท เป็นศัตรูต่อความไม่ประมาทหรือเป็นศัตรูต่อสติสัมปชัญญะทําให้คนขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความระลึกได้ในสิ่งที่ดีในความรับผิดชอบของตัวเองไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่างๆเนี่ยมีสุราเป็นศัตรูมีของมืนเมาเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราเว้นจากการดื่มของมึนเมาทุกอย่าง เคราะของมึนเมาเหล่าเนี้เป็นศัตรูต่อสติสัมปชัญญะนี่เราพูดกันเฉพาะในด้านของคุณธรรมถ้าพูดถึงในด้านสุขภาพร่างกายแล้วสุราเมรัยก็เป็นเป็นศัตรูต่อสุขภาพร่างกายด้วยเพราะคนที่ดื่มตุรามากก็เป็นบ่อกเกิดของโรคภัยไข้เจ็บนาน า, นานชนิดตลอดจนเศษสิ่งที่เศษติดต่างๆเอาเป็นของมึนเมาก็เป็นอันตรายกับชีวิตทั้งนั้นท่านจึงสอนให้เราถือสิกขาบทข้อที่ห้า คือให้เว้นจากการดื่มกุราเมรัยตลอดจนเครื่องดองของเมาทุกอย่างเนี่ยเพราะเหตุว่าเป็นศัตรูต่อสติและสัมปชัญญะท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าในสินห้าข้อดังที่ได้กล่าวมานี้เพียงให้มนุษย์ทุกคนที่มีความรักตัวเองอยู่แล้วนึกถึงความรักในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้กว้างขวางออกไปเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการรักษาสินนั้นไม่ยากเลย เพียงห้าข้อแค่เนี่ยยากที่ไหนไม่ยากแล้วก็ไม่ฝืนความรู้สึกของเราจนเกินไปว่าแม้เราเนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนมีศีลกับเขาไม่ได้ถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมแล้วก็เสมือนหนึ่งกับจะเข้าสังคมกับเขาไม่ได้เพราะสังคมเดนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะคานึงถึงศีลและธรรมเท่าไรนะักถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เข้าใจผิดผิดพุทธประสงค์ด้วยเราทุกคนมีศีลได้ เป็นแต่เพียงให้เราได้ทราบถึงพุทธประสงค์ว่าศีลเนี่ยบรรยัญญัติขึ้นเพื่ออะไรและก็มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ที่ชาวโลกทั้งหลายจะถือเป็นหลักปฏิบัติในห้าสิกขาบทนี้กินความกว้างขวางเหลือเกินถ้าหากว่าเราได้ถือกันหมดแล้วสันติสุขนี่จะเกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์แน่นอนแต่เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจึงรักษาศีลห้ากันไม่ได้ แม้ปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาอยู่เสมอว่าเราเนี่ยรักษาไม่ได้เห็นว่าเป็นความยากลาบากต่างๆซึ่งความจริงแล้วสินห้านั้นเรารักษาได้ไม่ยากเป็นประเทียงว่าให้เราเนี่ยได้เข้าใจถึงพุทธประสงค์ว่าท่านบัญญัติศิงขึ้นเพื่ออะไรเท่านั้นเองแล้วก็มีความจําเป็นอย่างไรศีข้าบทแต่ละข้อเนี่ยถ้าเราเห็นความจําเป็นอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าแม้ที่เราได้รักษาสินห้าข้อไว้นี้ เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้บริสุทธิ์มากมายเพียงพอแล้วนับว่าเป็นกัลยาณชนได้คนหนึ่งเป็นคนดีได้คนหนึ่งของโลกถ้าว่าเรามีศีลห้าข้อเป็นหลักประจำใจที่เราจะถือเอาเป็นหลักปฏิบัติเนี่ยเป็นเป็นพุทธประสงค์ที่ทัศมาสมาพุทธเจ้าได้บัญญัติศีลข้อนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ชาวโลกทั้งหลายถือเป็นหลักปฏิบัติที่นี่เรื่องของศีลที่ พระพุทธองค์ได้บัญญัติขึ้นไว้ห้าข้อนี้เพราะถือเอาความรักของศัตว์เป็นประทับฐานของการบัญญัติแล้วก็ลดล่างลงมาตามลํำดับนั้นความหมายของศีลในด้านของการปฏิบัตินี้ถ้าได้แสดงไว้ในคำพีวิสุทธิมรักษและในปฏิสัมพิธามรักอย่างกว้างขวางในด้านของการปฏิบัติเช่นในคำพีวิสุทธิมรักษ ก่อนที่ท่านจะบรรยายถึงเรื่องของศีลนี้ท่านตั้งปัญหาถามก่อนว่าศีลเนี่ยคืออะไรให้เราเข้าใจซะ ก, ก่อนว่าศีลเนี่ยคืออะไรนี่เป็นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่ถือเป็นหลักอธิบายก็คือเพราะอัตขวาอะไรจึงเรียกว่าศีลเนี่ยเป็นเป็นแม่บทข้อที่สองแม่บทที่สามก็คือลักษณะเพราะปัจจุปัต ฐานและพัพฐานของศีลนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นประโยคคาถามข้อที่สามข้อที่ 4, สี่ศีลมีอานิสง์อย่างไรคือการรักษาศีลเนี่ยมีอานิสงคือมีประโยชน์อย่างไรและข้อห้าศีลมีกี่ยางข้อที่หกอะไรเป็นความเศ้าหมองของศีลและข้อที่เจ็ด อะไรเป็นความของแพ่วของศีลมีอยู่เจ็ดข้อที่เป็นแม่บทใหญ่ๆที่เราจะต้องศึกษาในสีล้านิเทศนี้ซึ่งเป็นนิเทศเบื้องต้นของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคำภีวิสุทธิมัสในปัญหาที่ท่านถามเป็นกระเทตุก ร, รมยาตาปุกฉาคือถามเองตอบเองอย่างนี้ท่านได้หยิบยกขึ้นมาเป็นแม่บท หรือเป็นคําถามเพื่อที่จะอถาธิบายพุทธวจนะที่ได้หยิบยกมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พยากรปัญหาแก่เทพผบุตรว่านรชนเหลา่าใดตั้งมั่นอยู่ในศีล น, นรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างจิตของตนเองให้เจริญอยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่ง เป็นการปรับถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะแพ้วแพ้วขังความรบชัดหรือความยุ่งเหยิงต่างๆในชีวิตของมนุษย์เนี่ยได้โดยเราจะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาทั้งสามอย่างซึ่งพุทธพยากรณ์ดังกล่าวนั้นทั้นมากท่านบอกยากแก่คุณระบุในสมัยหลังจะพึงเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงได้อภิษธิบายเพิ่มเติมว่า ศีลเนี่ยคืออะไรตั้งเป็นปัญหาถามเสก่อนแล้วท่านได้หยิบยกคำอธิบายของท่านธรรมเสนาบดีคือพระษารีดูเรารู้จักดีว่าท่านผุเนี้เป็นอัครส า, าวกฝ่ายขวาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดตามสามัญชาวบ้านในปัจจุบันนี้ก็เป็นแขนขวาของพระพุทธองค์ทีเดียวเพราะว่าเป็นผู้ที่แตกฉานในธรรมะมาก แล้วก็เป็นที่ยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นธรรมะเสนาบดีท่นานพระสารีบุตรเนี่ยเป็นธรรมะเสนาบดีท่านผู้นี้ได้อธิบายไว้ในคำทีปฏิสัมพิธามัชว่าคําว่าศีลนั้นแท่งกราวว่าเจตนาก็ชื่อวศรรีลเจตสิกก็ชื่อวศรรีลสังวรก็ชื่อวศีนการไม่ร่วงระเมิดก็ชื่อวศรรีลเนี่ยในปฏิสัมพิธามัชได้แสดงไว้อย่างนี้ ปัญหามีว่าคําว่าเจตนาเป็นตัวศีลเจตสิกก็เป็นศีลความสังวรเป็นศีลการไม่ร่วงละเมิดเป็นศีลนั้นอย่างไรคําว่าเจตนาเป็นศีลเจตนานี้ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจแล้วว่าหมายถึงความตั้งใจความตั้งใจที่เกิดขึ้นคือเจตนาที่เกิดขึ้นภายในจิตพูดตามศัพสามมันก็คือความตั้งใจหรือความจงใจก็ได้เรียกว่าเจตนา ที่ว่าเจตนาเป็นศีลนั้นเช่นอย่างเราตั้งเจตนาว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่รักสัตว์เราจะไม่ประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่พูดเท็จเราจะไม่ดื่มเครื่องดองของเมาต่างๆเพียงแต่ว่าเราตั้งเจตนาไว้อย่างนี้ท่านก็กล่าวว่าเรามีศีลแล้วเมีศีลแล้วศีลประเภทที่เราตั้งอย่างเนี้ยท่านเรียกว่าวิรัติเจตนา คือเราเจตนางดเว้นเองไม่ต้องไปไมายัางพันเตต่อหน้าพระเพราะโดยปกติแล้วเราจะสมาทานศีลเราไม่จะต้องไปอาราธนาจากพระวะ่าลมายังพันเตวีสุงวีสุงราาะคณาถายากติตรเนนัสหปันจากศีลานิยาจามะถ้าบอกไม่ต้องไปตัง้งก็เป็นศีลไม่ต้องไปสมาทานก็เป็นศีลเพราะอันนั้นเป็นสมาทานวีระเราเจตนาเว้นอย่างเนี้ยเป็นเจตนาวีรต วิรัตินี่แปลว่าเวน้นแปลว่าเวน้นเจตนาที่งดเว้นเกิดขึ้นเองเนี่ยก็เป็นศีลเช่นอย่างท่านทั้งหลายอยู่ที่บ้านพอเช้าขึ้นมาเราก็้พนมมือกล่าวว่าปาณาปิปาตาเวรมณีอธินาทานาเวรมณีกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีมุสาวาธาเวรมณีสุราเมิระมัชฌะปะมาตฐานาเวรมณีตั้งเจตนาอย่างเนี้ยด้วยตนเองเรามีศีลห้าข้ออยู่แล้ว และสินทาที่เราตั้งเองอย่างเนี้ยมีอา น, นิสงส์มากกว่าไปรับกับพระซะอีกเพราะว่าเราตั้งใจถือสินเองตั้งใจเว้นเองถ้ากล่าวโดยนัยยะแห่งกุศลแล้วก็เป็นกุศลประเภทอักษรขาริกคือไม่มีสังขามรมา ก, กระตุ้นเตือนไม่มีใครมาเชิญชวนให้เรามีสินแต่ว่าเราเนี่ยก็เป็นคนมีสินเองโดยเราตั้งใจสมาทานงดเว้นจากสิทธ์ทั้งหลายเหล่านี้อย่างนี้เป็นตัวเจตนาวีรัตท่านทั้งหลายที่รักษาศินอย่างเนี้ย เราก็สามารถที่จะสมาทานได้โดยที่ไม่ต้องมารับกับพระท่านเช้าขึ้นก็นรับที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเรามีโอกาสมาที่วัดเราก็มารับกับพระนี้ก็เพื่อความมั่นคงของศีลเรียกว่าสมาทานวิระสมาทานวิรัะนี่คือเว้นด้วยการสมาทานกับพระท่านโดยพระท่านเนี่ยเป็นสถีพยานแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรอะ เราทั้งๆที่พระท่านให้เดี๋ยวเดียวเท่านั้นเนี่หายไปแล้วรับกับพระตอนหน้าเนี่ยเพียงแค่เข้าหลังบ้านศีลก็หายไปแล้วก็มีก็ไม่มีความหมายอะไรสู้ตั้งใจรับด้วยตนเองแล้วก็ถือให้มั่นคงเนี่ยอตมาว่าจะดีกว่าดีกว่ามาโกหกพระท่านแล้วก็มารับกับท่านแล้วก็ไม่รักษาอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีอานิสงส์สู้ตั้งใจงดเว้นด้วยตนเองจะดีกว่าอย่างนี้เป็นตัวสมาทานบิรั๊ก เพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวไว้ในปฏิสัมพิธามากกว่าเจตนาก็เรียกว่าศีลซึ่งเป็นคําอธิบายของภาษารีบุตรนั้นท่านหมายถึงเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นก็เรียกว่าศีลนนี้ทําไมเจตสิกจึงเรียกว่าศีลเพราะเจตสิกนี่เป็นธรรมชาติที่ประกอบกับจิตเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตเรียกว่าเจตสิก ที่เรียกว่าเอขุ ป, ปาทะเอกนิโดทะเอการัมพนาเอกวัตถุกะเกิดก็เกิดพร้อมกับกจิตดับก็ดับพร้อมกับกจิตมีอารมณ์เช่นเดียวกันกับกจิตมีวัตถุที่อาศัยเกิดเช่นเดียวกันกับกจิตธรรมชาตินั้ น, นเรียกว่าเจตสิกเจตสิกคือธรรมชาติที่ประกอบกับกจิตแต่ภาษาริบุตรกล่าวว่าเจตสิกก็เป็นศีลที่ว่าเจตสิกเป็นศีล น, นั้นท่านหมายเอาถึงการไม่เพ่งเล็ง เช่นการไม่เพ่งเล็งทรัพสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนการไม่จองร้างผู้อื่นการไม่มีความเห็นผิดนั้นเป็นตัวเป็นตัวเจตสิกศีลเป็นเจตสิกศีนนะซึ่งถ้าเราจะกล่าวโดยกรรมบทแล้วการไม่เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเอามาเป็นของตนก็ดีหรือการไม่จองร้างจองฝานผู้อื่นก็ดีการที่เราไม่มีความเห็นผิดจากนองรองธรรมก็ดีเป็นมโนทุจริต ในกรรมบดถือว่าเป็นมโนทุจริตเป็นการประพฤติชั่วทางใจแต่ว่าในที่เนี้ท่านตรัสว่าท่านกล่าวว่าเป็นตัวเจตสิกศีลเป็นศีลด้วยคือเราเข้าใจกันตะเพียงว่าศีนเนี่ยคือธรรมชาติที่ควบคุมกายกับวาจาเราเข้าใจกันอย่างนั้นซึ่งความเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่ศีลอย่างนั้นเป็นตัวเจตนาแต่เจตสิกสีนเนี่ยควบคุมใจไม่ให้มีจิต ไปเพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนและไม่ให้เรามีจิตไปจองร่างจองสารคนอื่นเขาไม่ให้เรามีจิตคิดเห็นผิดจากคานองครองธรรมอย่างนี้เป็นตัวเจตสิกศีลเพราะฉะนั้นเจตสิกนี้ก็จับว่าเป็นศีลด้วยนี่เป็นคําอธิบายที่มีอยู่ในปฏิสัมพิทามาัตสทีนี้คําว่าสังวรคําว่าสังวรนั้นก็เป็นศีลคําว่าสังวรก็เป็นศีลเนี่ย เราจะต้องเข้าใจด้วยว่าสังวรที่ท่านกล่าวถึงในคำภีปฏิสัมพิธามรรคนี้มีอยู่สี่ประเภทด้วยกันที่เรียกว่าสังวรสีนสังวรสีนนั่นคือหนึ่งปาติโมกสังวรสองส ต, ติสังวรสามขันติสังวรสี่วิริยะสังวรสังวรทั้งสี่นี้ก็เป็นสีน คำว่าปาติโมกสังวร น, น, นั้นก็แปลว่าเราสํารวมระวังในสิกขาบทที่มีมาในพระปาติโมกคือบทบัญญัติอันใดที่พระสัมมาส enfin ัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีอยู่ในพระปาติโมกนั้นเรามีความสํารวมระวังในสิกขาบทที่มีมาในพระปาติโมกอย่างนี้เรียกว่าปาติโมกสังวรศีลทีนี้คําว่าสติสังวรสติสังวรนี้ถ้าแปลตามศัพท์ก็แปลว่าสํารวมสติ เึิ่งฟังดูแล้วก็ไม่ได้สติอะไรเพราะคำว่าสารวมสตินะสารวมยังไงที่เรียกว่าสารวมสติสะังะนั้นในปฏิสัมพิธามรักนี้ท่านจึงอธิบายเพิ่มเติมว่าคำว่าสติสังวรในที่เนี้ท่านหมายถึงการสารวมอินทรีย์อินทรีย์หกเนี่ยคือตาหูจมูกกลิน้นกายใจเรามีสติทุกขณะที่เราเห็นรูปที่เราได้ยินเสียงได้รู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัส ถ, ถูกต้องและนึกคิดในทางใจ เรามีสติควบคุมความรู้สึกทางอายตนะทั้งหกอย่างนี้เรียกว่าสติสังวรเช่นอย่างครั้งหนึ่งซึ่งท่านอชิตมามานกนี้ได้ไปทูลถามปัญหาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าได้ถามถึงเรื่องวัฏกระแสะลาวใบในโลกนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องของกระแสะแก่ท่านอชิตะคือตรัสไว้ในคำที ในขุตกันิกายได้กล่าวว่าดูก่อนอชิตะกระแสทั้งหลายเหล่าใบในโลกกระแสเหล่านั้นมีสติเป็นเครื่องกั้นเรากราวสติเป็นเครื่องกั้นนี้เรากราวสติเป็นเครื่องกัน้นกระแสเหล่านั้นกระแสเหล่านั้นบัณฑิตปิดเสียได้ ด้วยปัญญาดังนี้อันนี้ชื่อว่ายานะสังวรที่ว่ากระแสเหล่าใดในโลกนี้กระแสเหล่านั้นสติเป็นเครื่องกัน้นคำว่ากระแสในที่นี้ท่านหมายถึงอารมณ์หมายถึงอารมณ์คืออารมณ์ที่เราเกิดความรู้สึกรักและพอใจกับอารมณ์ที่เรารู้สึกชิงชัง ไม่พอใจความรักกับความชังทั้งสองเหล่านี้เป็นกระแสที่หลั่งไหลเข้าสู่จิตของมนุษย์จากอายตนะทั้งหกคือมันไหลเข้าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจอะไรจะมากัน้นไม่ให้ความรักเกิดความชังเกิดได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ซึ่งเราศึกษาเราจะเห็นว่าเรื่องของความรักความชังนั้น มันเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆเช่นเพราะตาเราเห็นรูปในที่ดีเห็นรูปที่ดีๆเราก็รู้สึกเกิดความรักเกิดความพอใจในรูปนั้นถ้าตาเราเกิดไปเห็นในสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้สึกชิงชังไม่ชอบรูปหรือสิ่งที่เราได้เห็นบางครั้งเราไปฟังเสียงที่ดีๆเช่นเสียงดนตรีเสียงเพลงเรารู้สึกพอใจในเสียงเหล่านี้ว่าไพเราะจับใจ เกิดความรักขึ้นบางครั้งเราไปได้ยินเสียงที่ไม่ดีเราไม่พอใจก็เกิดความชังขึ้นบางครั้งจมูกไปสัมผัสกับกลิ่นที่หอมก็รู้สึกพอใจแต่สัมผัสกับกลิ่นที่เหม็นก็ไม่พอใจลิ้นไปสัมผัสกับรสที่ดีก็พอใจไปสัมผัสกับรสที่ไม่ดีก็ไม่พอใ จ, ร, อใ จ, ร, อใจร่างกายได้สัมผัสในสิ่งที่ดีก็พอใจแต่ไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่พอใจ เมื่อจิตนึกคิดในสิ่งที่ดีเราพอใจนึกคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่พอใจรวมความแล้วหล่ะความรักกับความชังเนี่ยมันก็เกิดตามอายตนะทั้งหกนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นที่ไหนลังไหลเข้าทางอายตนะทั้งหกมาทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความรักความชังขึ้นอะไรจะเป็นเครื่องกัน้น กระแสะคือความรักความชังเหล่านี้ได้แตงกรา ว, ว่าสติเป็นเครื่องกัน้นกระแสะคือความรักความชังอันนี้ถ้าเรามีสติแล้วเราก็สามารถที่จะกั้นกระแสะแห่งความรักและความชังได้มีสติในที่นี้ก็คือจะต้องระลึกได้ทุกขณะที่เราได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสแล้วก็ได้สัมผัสถูกต้องทางกาย เรามีสตคิควบคุมอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าสติสังวรท่านตรัสว่ากระแสเหล่านั้นบัณฑิตปิดจะได้ด้วยปัญญาปิดจะได้ด้วยปัญญาก็หมายความว่าเราระงับกระแสเหล่านี้ได้คือแม่จิตเนี่ยตกไปอยู่ใต้อํานาจของความรักและความชังได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีปัญญาจริงๆเท่านั้นจึงสามารถกั้นได้ การที่เราสามารถกั้นกระแสเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าญาณะสังวรเช่นอย่างพระอรหันต์ผู้มีสติสมบูรณ์แล้วเนี่ยท่านไม่รักไม่ชังใครไม่โกรธใครและก็ไม่รักใครด้วยแต่พุทธชนเราเนี่ยถ้าไม่รักก็ต้องชงังถ้าไม่ชังก็รักสองอย่างที่เกิดขึ้นในใจถ้าไม่ชอบก็ต้องชอบมันมันมีผับเปลี่ยกันอยู่เสมอแต่ว่าพระอริยเจ้าไม่มีความรักความชังไม่มี เพราะอะไรประวัตท่านกั้นกระแสเหล่านี้เสียได้แล้วด้วยปัญญาท่ามีปัญญาถึงขั้นโลภุตตระรมักและก็สามารถทําลายกิเลสได้แล้วเพราะฉะนั้นจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยจึงไม่ตกไปเป็นธาตุของความรักและความชางังทั้งสองอย่างพระอริยเจ้าท่านก็ไม่ต้องเกิดความทุกข์ในเรื่องของความรักและในเรื่องของความชังเพราะทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นรักก็เป็นทุกข์ไม่รักก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งสองอย่าง เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยท่านจึงเป็นผู้ที่กั้นกระแสแห่งความรักและความชังเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาชีน่นั้นอันนี้เป็นตัวยานะสังวรทนี้ขันติสังวรขันติสังวรนี้แปลตามศัพท์ก็คือสำรวมด้วยความอดทนขันติสังวรเนี่ยสำรวมด้วยความอดทนอดทนอย่างไรแสดงกล่าวว่าเราสามารถอดทนต่อความหนาวความร้อนต่อความเย็น ต่อความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ต, ต่อความหิวกระหายต่ออารมณ์ที่เราไม่พอใจแต่เราเนี่ยมีขันติธรรมมีความอดทนต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้มีความสำรวมได้ความอดทนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีขันติสังวรแล้วมีความสำรวมได้ความอดทนซึ่งอันนี้เรียกว่าขันติสังวรส่วนวริยัสังวร น, นั้นคือการที่เราพยายามไม่ให้กามบิตกเนี่ยเกิดขึ้นในจิต ถ้าการมาวิตกนี้ไม่เกิดขึ้นในจิตก็แสดงว่าเรามีความภาคเพียรมีวิริยะอย่างแรงกล้าเราก็สามารถที่จะเอาชนะกามาวิตกได้คือความตรึกถึงเรื่องการมารมต่างๆก็เอาชนะได้ด้วยความภาคเพียรอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นตัววิยะสังวรเพราะฉะนั้นสังวรเนี่ยท่านจึงกล่าวว่าเป็นสินนี่เป็นคำอธิบายในปฏิสามพิธามะที่ว่าการไม่ละเมิด ก็คือการไม่ก้าวล่วงเสียซึ่งกายและวาจาการไม่ก้าวล่วงเสียซึ่งทางกายและวาจาอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นศีลนี่เป็นความหมายของคำว่าศีลในในคำอธิบายของพระสารีบุตรที่ท่านอธิบายไว้อย่างนี้ทีนี้เมื่อเราเข้าใจรา ว, ว่าศีลเนี่ยคืออะไรความจริงโดยอัดของศีลนั้นอัดของศีลนี้คืออัดถาของศีลนี้ท่านได้ อธิบายไว้หลายอย่างด้วยกันโดยลักษณะแล้วคือการรวบรวมเข้าการรวบรวมเข้าเนี่ยโดยความหมายในด้านการปฏิบัติก็คือความความสมรวมระวงังเช่นอย่างเรามีความสมรวมทางกายทางวาจาอย่างนี้มีความระมัดระวังอยู่ว่าเราเนี่ยจะไม่ทําผิดทั้งทางกายและทางวาจาการที่เรามีความสมรวมด้วยกายและวาจาอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีศีลแล้วเนี่ยเป็น เป็นอัฐาของศีลคือการควบคุมการควบคุมกายวาจาเนี่ยให้เป็นปกติไว้ได้ก็เรียกว่าเป็นศีลนี่โดยความหมายของคำว่าศีลเนี่ยคืออะไรก็คือคือการรวบรวมเข้าหรือการสมรวมกายวาจาอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นศีลดังที่ได้กล่าวมานี้ทีนี้โดยโดยอัฐานี้บางแห่งแทกว่า ธรรมชาติเหล่าใดที่ทําความเย็นชําให้แก่จิตใจธรรมชาติเหล่านั้นก็เรียกว่าศีลเพราะว่าศีลเนี่ยทาให้เกิดความเย็นขึ้นก็หมายความว่าผู้ที่มีศีลเนี่ยไม่เกิดวิปัิสารไม่ต้องเกิดความเดือดร้อนใจเพราะเมื่อเรารักษาศีลเป็นผู้มีศีลแล้วชีวิตของเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายอะไรมากเพราะว่าศีลนั้นเป็นความเย็นศีล น, นั้นทําให้ชีวิตนี้กระเสรมทําให้เกิดความกระเสรมขึ้น ถ้าหากวาเรามีศีลแล้วเราก็เกษมมีความเกษมสํำราญในชีวิตนี้จากการที่เราเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีล น, นี่เป็นอัตถะของศีลทีนี้ถ้ากล่าวโดยลักษณะว่าศีลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรลักษณะของศีล น, นั้นก็คือการรวมเข้าการรวบรวมเข้าคือการควบคุมที่ดีนั่นเองเป็นลักษณะของศีลเช่นการควบคุมกายวาจาใจดีก็เรียกว่า เป็นศีล น, นี่โดยโดยลักษณะของศีลที่นี่โดยรถรถหรือในบาลีใช้คำราา่ารถรถในที่นี้ท่านหมายถึงกิจจะรถไม่ใช่หมายถึงรสชาติรสอาหารหรือรสอะไรต่างๆที่เราได้สัมผัสกันแต่ท่านหมายถึงกิจจะรถรถในตู้นี้ในที่นี้ท่านหมายถึงหน้าที่ที่จะไปปฏิบัติ เช่นถ้าถามว่าอรถของศีลเนี่ยคืออะไรก็ <S <S คือถามว่าหน้าที่ของศีล น, น่ะคืออะไรถ้าผู้ให้เข้าใจง่ายๆคือหน้าที่ของศีล น, น่ะคืออะไระบอกหน้าที่ของศีลคือการกําจัดความทุศีลความเป็นผู้ทุศีลให้หมดไปก็หมายความว่าถ้าเราเป็นคนมีศีลแล้วเราก็สามารถกําจัดความทุศีลของเราได้ ทุศีนก็คือศีนไม่ดีหรือไม่มีศีนนั่นเองเราสามารถที่จะกําจัดความทุศีนได้สตุสัพท์นี้แปลว่าชั่วหยาบมีศีนชั่วกําจัดความชั่วของศีนได้ถ้าเราเป็นผู้มีศีนนี่โดยหน้าที่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือไม่มีความเดือดร้อนเป็นกิจหน้าที่ ผู้มีศีลและไม่มีความเดือดร้อนนี่เป็นกิจหน้าที่ของศีลที่เรารักษาศีลจะเกิดประโยชน์ก yeah. no ็ต่อเมื่อเราเนี่ยไม่เดือดร้อนใจไม่มีความเดือดร้อนอะไรเนี่ยคือหน้าที่ของศีลที่ทําให้เราร่มเย็นทีนี้อาการที่ปรากฏหรือเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นว่าอ๋อเนี่ยเป็นศีลหรือท่านผู้นี้เป็นผู้ที่มีศีลมีอะไรเป็นเครื่องหมายปรากฏทั้งกล่าวว่ามีความสะอาดเป็นเครื่องปรากฏ คำว่าสะอาดเป็นเครื่องปรากฏเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคนนี้มีร่างกายสะอาดแล้วก็เป็นผู้มีศีลไม่แน่คนแต่งตัว ง, งามๆอาจจะกายวาจาชั่วหยากก็ได้เพราะความสะอาดที่เป็นเครื่องปรากฏของศีล น, นี้่านหมายถึงความสะอาดของกายและวาจาก็คือความสะอาดในด้านของความประพฤติ่ันพวกนี้มีความประพฤต